าท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกด่านวันนี้เป็นวันอังคารที่หกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบกเป็นวันพระวันธรมรมวัวนะวันฝังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัาเพื่อมาเร่งความเพียรปฏิบัติตามพระธรรมคันสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรณีพิเศษคือจะปล่อยว่าภารกิจการงานต่างๆสักหนึ่งวันเพื่อจะได้มาบำเพ็ญภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้สมมอบหมาย ไว้ให้ปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงเพื่อความดับทุกข์ที่แท้จริงก็คือความสุขของใจความอืิกพ้นจากความทุกข์ของใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเรื่องอื่นๆในโลกนี้ เป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องที่ไม่จีรังทาวรมีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาเราให้หามาได้มากน้อยเพียงไรสร้างมาได้มากน้อยเพียงไรในที่สุดก็จะต้องเสื่อมหมดไปแต่สิ่งที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไป ก็คือใจของพวกเราใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปมีอยู่ว่าใจมีอย่างสุขหรือจะมีอย่างทุกข์ถ้าดูแลรักษาใจก็จะสุขใจก็จะเจริญถ้าไม่ดูแลรักษา ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลง ค, ความอยากต่างๆมาเหยียบย่มทำลายจิตใจใจก็จะมีแต่ความทุกข์นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุวทรงเห็นว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเพราะใจไม่ตายไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ใจกับมาทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คู่กับใจไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่คู่กับใจไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นาลาภยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกิริย์ลดโภตภชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มีวันจะต้องเสื่อมหมดไปถ้าเรามาหลงดูแลรักษาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่กับเราไปตลอดเราก็จะต้องผิดหวังเวลาที่สิ่งต่างๆจากเราไปเวลานั้นจะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าเรามาบาเพ็ญมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติใจของเราจะไม่ทุกกับสิ่งต่างๆเวลาที่เขาจากเราไปนี่แหละคือความจำเป็นความสำคัญต่อจิตใจของพวกเราก็คือการบาเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้า พวาเราจึงต้องมีวันที่เราควรที่จะให้เวลากับการบำเพ็ญกับการปฏิบัติถ้าเราไม่แยกเวลาออกมาให้แก่การบำเพ็ญกับการปฏิบัติเราก็จะถูกเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆฉุดรั้งไว้ เนื่องจากเรามีความผูกพันมีความรักมีความโลภมีความอยากกับสิ่งต่างๆก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะปลี่ยออกจากสิ่งต่างๆและมาบํงเพนทำที่จะทำให้จิตใจของเราลมเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ วันพระนี้จึงเป็นวันสำคัญสำหรับจิตใจของพวกเราทุกคนพราะพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้มีเวลาว่าปลีกออกจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆ ถ, าถ้าไม่มีวันพระก็จะไม่มีวันที่เราจะปลีก่ออกจากเรื่องราวต่างๆได้ ถึงแม้สมัยนี้มีวันพระแต่สาหรับคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสาคัญของวันพระไม่รู้ว่ามีวันพระไว้ทาไมเสียด้วยซ้ำไปคนสมัยนี้จึงไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวากันบัวแต่ไปวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายจึงไม่มีวันไม่มีเวลาว่างที่จะปลีกออกมาหาความสุขหาความเจริญทางจิตใจเลยพวกเราถือว่าเป็นพวกที่โชคดีมีบุญมีวาสนาที่ได้รู้จักวันพระรู้เห็นความสำคัญของวันพระ จึงได้มาวัดกันเพื่อจะได้มาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญต่อจิตใจของเหล่านี้เมื่อเรามีวันพระแล้วสิ่งที่เราต้องทำในวันพระก็คือเราต้องทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดด้วยการหยุดความอยากต่างๆ หยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆเพราะความโลภความอยากความโกรธความหลงเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่ความหลง ทำให้เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราความสุขที่ได้จากสิ่ง ต, ต่างๆก็เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์นี้มากมายกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ถ้าเราได้มาบำเพ็ญตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะกำจัดความทุกข์ กำจัดความวุว่นวายใจให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปและให้หมดไปได้ถ้าเราได้กำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจแล้วใจของเราก็จะเป็นใจที่วิเศษเป็นใจที่จะให้แต่ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ดงนั้นการที่เราจะมาบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคัมภีรของพระพุทธเจ้าได้เราจำเป็นจะต้องตั้งหลักหรือตั้งเป้าคือตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งหลักตั้งเป้าตั้งใจกำหนดเวลาการปฏิบัติของเราปล่อยให้ทำไปตามอารมณ์อย่างนี้จะ ทำไม่ได้มากเนื่องจากอารมณ์ของเรานี้แปรปลนีนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันไหนถ้าอารมณด์ดีเราก็จะปฏิบัติวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็จะไม่อยากปฏิบัติเราต้องกําหนดเวลาเหมือนกับเวลาที่เรากําหนดเวลารับประทานอาหารให้แก่ร่างกาย ร่างกายนี้เรากาหนดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องรับประทานอย่างน้อยก็สามครั้งด้วยกันเช้ากลางวันเย็นไม่ว่าจะรู้สึกหิวไม่หิวอยากรับประทานหรือไม่รับประทานพอถึงเวลาเราก็จะรับประทานเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่รับประทานแล้วร่างกายก็จะเดือดร้อนร่างกายก็จะต้องหิวจะ เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้เราจรึงไม่เคยเว้นจากการรับประทานอาหารไม่ว่าจะมีอารมณ์ดีหรือไม่ดีถึงเวลาก็จะรับประทานอาหารกันร่างกายของเราจึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนจิตใจของเรานี่เรากับไม่มีการกําหนดตารางเวลา สำหรับให้อาหารสำหรับให้สิ่งต่างๆที่จิตใจต้องการกันถ้าจิตใจเป็นเหมือนร่างกายป่านนี้ก็คงจะตายไปนานแล้วพราอจะตายจากก า, ก, การขาดสารอาหารขาดการดูแลนั่นเองดีว่าใจของเรานี้ไม่มีวันตาย สิ่งที่เกิดกับใจจึงเป็นแต่ความทุกข์ใจความวุ่นวายใจที่ไม่มีวันหมดมีมาอยู่เรื่อยๆมีอยู่แทบทุกวันด้วยกันเพราะว่าเราไม่คอยกาจัดไม่คอยปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินั่นเองดังนั้นเราต้องมากาหนดตะวาง กำหนดจำนวนปริมาณของการปฏิบัติเช่นเราจะทำบุญเท่าไหร่กำหนดไปเลยเดือนนี้ในแต่ละเดือนเราจะบริจาคเงินทองสำหรับการทำบุญนี้เท่าไหร่ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบร้อยละสาสบของจำนวนรายได้ที่เรามีอยู่ หรือของจำนวนทรัพย์สมบัติเข้าของที่เรามีกำหนดไปเลยเพื่อจะได้ทำได้ถ้าไม่กำหนดมันก็จะมีข้ออ้างมีเรื่องราวต่างๆมาคอยสกัดกัน้นเพราะว่าความตนีความโลภอยากได้ทรัพย์ความหลงที่คิดว่าดีทรัพย์แล้วจะมีความสุขนี้ จะทำให้การบริจาค ก, การทำบุญ น, นี้เป็นไปได้ยากแต่ถ้าเรากำหนดไว้เลยว่าจะต้องบริจาคจะต้องทำบุญในจำนวนเท่านั้นเท่านี้พอถึงเวลาเราก็ทำไปเลยไม่ต้องเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ทรัพ ส, สมบัตินี้มีประโยชน์เพียงดูแลรักษาร่างกายของเราเท่านั้นคือมีปัจจัยสี่ให้เราอยู่ให้ร่างกายเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วทรัพ ส, สมบัติเงินทองนี้ถ้าไม่รู้จักใช้ก็จะกลายเป็น พิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นเหมือนงูอสอรพิษถ้ารู้จักจับงูก็สามารถเอาจับงูมารีดพิษเพื่อเอามาทายาทําประโยชน์ได้ถ้าจับงูไม่เป็นก็จะถูกงูกัดตายได้เงินทองนี้เป็นเหมือนอสอรพิษถ้าไม่รู้จักใช้เงินทองแนละ้ว เงินทองนี้จะมาทาร้ายจิตใจจะมาทาให้ใจต้องวุ่นวายจะต้องทุกข์ไม่มีวันหมดดังนั้ น, น, นเราต้องรู้จักใช้เงินทองใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของให้เกิดประโยชน์อย่าให้เกิดโทษวิธีที่จะเกิดประโยชน์ก็คือเอามาทำบุญ เอามาบริจาคแบ่งปันสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือสนับสนุนองค์กรที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวาอารามต่างๆเมื่อเราทำแล้วใจของเราจะชนะความโลภจะชนะ ความตนันนีจะชนะความหวงจะชนะความหลงจะเห็นว่าเงินทองนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าการให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายนี้เท่านั้นแล้วถ้ามีเอาไว้เก็บเอาไว้ด้วยความหวงด้วยความตนันนีก็จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจขึ้นมาเป็นโทษกับใจ หรือถ้าเอาไปใช้ตามความอยากตามความโลภ ก, ก็จะสร้างให้เกิดความโลภเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นความโลภความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของจิตใจเหมือนกับเป็นเชื้อไฟเวลาที่เราเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟไฟก็จะลุกใหญ่ขึ้นไปไม่ใช่ทําให้ไฟดับ จั้นใดถ้าเราเอาเงินทองไปใช้ต่างความโลภต่างความอยากก็จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเพราะจะเพิ่มความอยากให้เพิ่มมีมากขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้เงินมากขึ้นยิ่งใช้เงินมากเท่าไหร่ก็ต้องหามามากเท่านั้นเพราะว่าเงินทองนี้มันต้องคอยหามาอยู่เรื่อย ถ้าเราใช้มันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หามีแต่ใช้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องหมดพอหมดแล้วก็จะยิ่งทุกข์ทรมานใจใหญ่เพราะความอยากไม่ได้หมดไปกับเงินทองเวลาที่มีความอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากใจจะทุกข์ทรมานอย่างมากแต่ถ้าเราเอาเงินทองนี่มาบริจาคเอามาทาบุญ จะทำให้ใจของเรานี้ลดความอยากลงไปได้เช่นทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็เอาเงินทองนี้มาทาบุญหรือเราจะเอาเงินทองนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่เราอยากได้ก็ได้แต่เราอย่าเอาเก็บเอาไว้เราเอาไปบิจาจเอาไปให้ผู้ อย่างนี้ก็จะดัดความอยากของเราเพราะถ้าอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากต่อไปก็จะไม่อยากได้แล้วเวลาเราเอาของเอาเงินทองนี้ไปให้คนอื่นจะทำให้เกิดความอิ่มเอิใจเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นการใช้เงินทองที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับจิตใจของเรา ต้องเอามาทำบุญทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วเมื่อเราทำบุญได้แล้วเราก็จะละบาปได้การที่เราละบาปกันไม่ค่อยได้ mm hmm. ก็เพราะว่าเรายังมีความโลภอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ลายศสรรเสริม อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทําให้เราหวงเงินหวงทองเพราะเราจะใช้เงินทองนี้มาซื้อความสุขต่างๆแล้วเมื่อเราต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องหาเงินทองเวลาหาเงินทองบางทีเราก็จะรู้สึกลําบากถ้าต้องไม่ทําบา ก็จะหายากกว่าการทําบาปอย่างน้อยก็ต้องพูดไม่ตรงกับความจริงหรือไม่เช่นั้นก็ทำแบบช่อโกลัวทำแบบค้ากําไรเกิดขวนเพราะอยากจะได้เงินถองมากๆ ก, ก, ก็จะไม่สามารถที่จะละบาปได้แต่ถ้าเราทําบุญได้เราจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง หาเงินหาทองด้วยวิธีการทำบาปเพราะเราจะไม่ต้องหาไม่ต้องหาเงินมากนั่นเองเราก็เลยจะรักษาศีลไม่ทำบาปได้แล้วก็การทำบุญนี้ก็จะทำให้ใจของเรามีความเมตตามีความปรารถนาดีจะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อยากที่จะ ทำร้ายผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการละบาปก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำบุญแล้วก็จะทำให้เราละบาดได้ทำให้เราไม่อยากทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปใจเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับผลของการกระทำบาปเวลาเราทำบาปนี้ใจของเราจะไม่มั่นคงจะหวั่นไหวจะวิตกกังวลกลัวกับวิบากรรมที่เราได้ทำเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปใจเราจะเป็นปกติ จะไม่วุ่นวายจะไม่วิตกไม่กังวลจะไม่หวั่นไหวกับวิบากกรรมที่จะตามมาเมื่อใจเรามีความสงบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบก็จะทำให้เราจะอยากทำให้มีความสงบมากขึ้นพอเรารู้ว่า การที่จะทำใจของเราให้สงบมากขึ้นเราก็ต้องอทำใจให้สงบด้วยการควบคุมความคิดของเราถ้าเราควบคุมความคิดของเราได้ไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆใจของเราก็จะว่างจะสงบจะเย็นเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงสงบเต็มที่เลย เราสามารถควบคุมความคิดได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างตลอดเวลาเวลาเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ใจจะรวมเป็นหนึ่งที่เรียกว่ามีอารมณ์เดียวสัคตะวารุมีอุเบกขา คือไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรมีความพอใจกับความอยู่ในความสงบนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราทำทานทำบุญแล้วก็ละบาละบาวนี้ก็มีสองขั้นด้วยกันคือละบาด้วยศีลห้าและละบาด้วยศีลแป ถ้าเราอยากจะทำใจให้สงบเราจำเป็นที่จะต้องละบาปด้วยการถือศีลแปดเพราะถ้าถือศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ใจสงบได้อย่างง่ายได้เพราะศีลห้านี้ยังไม่ยับยั้งความอยากต่างๆคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง ผู้ที่ถือศีลห้ายังสามารถร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ได้อยู่ยังรับประทานอาหารหาความสุขจากการรับประทานอาหารได้ตลอดเวลาศีลห้าไม่ได้ห้ามไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเหมือนกับศีลแปการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโภชนา ก็จะมาขัดขวางการที่จะมาทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุข ด, ดังนั้นถ้าอยากจะทาใจให้มีความสงบหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความไม่สงบของใจเราก็จาเป็นที่จะต้องถือศีลแปดเช่นศีลข้อสารก็ต้องเปลี่ยนเป็นจาก การมสุนิชชาจาระมาเป็นอพรมจริยาเวรานีถือสินพรหมจันร์คือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครสิลข้อ6ก็จะเป็นวิการละโภชนาจะไม่รับประธานอาหารหลังจากเที่ยงหมดไปแล้วสิลข้อที่7ก็คือจะไม่หาความสุขจาก เครื่องบรรเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังหรือการดื่มการรับประทานและจะไม่หาความสุดจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอะพอ์สีสดใสวิจิตพิสดารหรือใช้น้ำหอมน้ำมันต่างๆเพื่อให้เกิดกลิ่นหอม แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปการที่จะไม่หลับนอนมากเกินเกินไปต้องนอนบนพื้นแข็งอย่าบนนอนบนพื้น น, นิ่มเช่นนอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอสมควรแล้วจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆจะรู้สึกสบาย ก็จะไม่อยากรุกจะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งเช่นนอนกับพื้นเวลาตื่นขึ้นมาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว mm. ก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเมื่อเราไม่นอนต่อเราก็จะได้มีเวลามาบำเพ็ญมาหยุดความอยากมาทำใจให้สงบ เมื่อเราไม่ต้องไปเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องเสียเวลากับการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปกับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเราก็จะมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะมา ควบคุมความคิดของเราหยุดความอยากของเราทำใจของเราให้สงบได้นอกจากถือศีลแปแล้วก็ควรจะอยู่คนเดียวอยู่ในสถานที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะว่าถึงแม้จะถือศีลแปถ้าอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงที่คอยมาลบควรใจ ก็อาจจะสู้ไม่ไหวก็อาจจะทำให้ศีลขาดได้ดังนั้นถ้าอยากจะรักษาศีลให้บรยสุดก็ควรจะไปอยู่ในสถานที่ที่เอื้อต่อการรักษาศีลเช่นไปอยู่ตามวัดตามวาโดยวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่มีความสงบห่างไกลจาก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆถ้าอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วการควบคุมความคิดอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความมีอารมณ์เดียวคือสัต์แต่ว่ารู้มีอุเบกขาเป็นที่ตัง้งถ้าใจมีอุเบกขาแล้ว ใจจะไม่หูวไม่วุ่นวายไปกับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาความความเป็นหนึ่งความเป็นอุเบกขานี้ก็ยังมีอยู่และจะมีอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยออกมาก็ควบคุมความคิดต่อไปเหมือนกับตอนก่อนที่จะเข้าไปนั่งสมาธิพุทโธไปเรื่อย ทำอย่างนี้ไปก็จะรักษาความวาม่างความสงบได้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถสั่งให้ใจสงบได้เวลาที่เราต้องการถ้าเราไม่สามารถหรือถ้าเราอยากที่จะรักษาใจให้สงบไปอย่างท้าวรโดยที่ไม่ต้องมาควบคุมความคิดเราก็ต้องไปหยุดความอยาก ความอยากนี้เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะสิ่งที่ใจอยากได้ไม่เที่ยงได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเป็นสิ่งที่ไปควบคุมบังคับไปสั่งไม่ได้ถ้าเห็นความจริงอันนี้ใจก็จะหยุดความอยากได้จะไม่อยากได้อะไร เพราะู้ว่าได้มาแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเพราะจะต้องมีการพัดพาาจากกันไปในที่สุดนั่นเองนี่คือวิธีที่เราจะหยุดความอยากได้ต้องสองใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไม่เที่ยงเพราะจะต้องมีการพัดพาาจากกันแล้วก็เราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามเขาได้ นี่คือความจริงที่เราจะต้องคอยสอนใจถ้าเราต้องการจะหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องควบคุมความคิดก็ได้ปล่อยให้คิดได้อย่างสบายอยากจะคิดอะไรก็คิดได้เพราะจะคิดไปในทางที่ไม่เกิดความอยากนั่นเองเพราะจะไม่กล้าคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความอยากเพราะเห็นโทษของความอยาก นี่คือการที่จะทําให้ใจของเราสงบอย่างถาวรต้องสงบด้วยปัญญาต้องเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับได้นี่คือการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสุขที่แท้จริงความดับทุกข์ที่แท้จริงให้แก่ใจของเราถ้าเรา ทำได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะไม่เป็นปัญหาจะไม่ให้ความทุกข์กับใจเพราะใจไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆปล่อยวางได้หมดอะไรจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาไม่ได้เป็นเรา เขาไม่ใช่เป็นตัวเราเรารักษาตัวเราคือใจของเราด้วยการไม่ทำการความอยากนี้เท่านั้นใจของเราก็จะปลอดภัยนี่คืองานที่พวกเราจะต้องพยายามทำกันเราต้องกำหนดเวลาตางกำหนดปริมาณของการปฏิบัติว่าจะทำมากทาน้อยเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีความจริงใจต่อการตั้งใจของเรา ตั้งใจจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ไม่ไม่วกแวกไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทำถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปตั้งใจให้เสียเวลาต่อๆดอกตัวเองไปไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งใจแล้วต้องมีความจริงใจพอมีความจริงใจแล้วก็ต้องมีความภาคเพียงเมื่อมีความภาคเพียงก็ต้องมีความอดทน เพราะการปฏิบัตินี้จะต้องยากต้องลาบากถ้าไม่มีความอดทนก็จะทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีความอดทนแล้วเราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ได้เมื่อได้ทาแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญ ม, มาปฏิบัติมา เร่งความเพียรให้แก่ชีวิตจิตใจของเราให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปนี้ให้ทาได้นาเอาไปเพลิพิจ า, าิณานและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีลธนาตายและบุญกุสมที่ท่านได้มาบำเป็นกันในวันนี้จงเป็นเองเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภพละโดยทั่วหน้ากัรเธอ